ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่รลมงพระพุทธญาณกำลังนำเสนอถึงช่วงที่พู้เจ้าทรงแสดงสถานะของพระองค์ว่าเป็นพระหันจัสุรีสัทุรชอบเองแล้วขอให้ภิกษุปัญโยคีนั้นตั้งใจฟังธรรมะ มวางและปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้ก็จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเจียมอันเป็นที่สุดแห่งพระมจจันทร์ซึ่งก็เป็นเป้าหมายหลักในการออกบวดของพระพุทธเจ้าและท่านปัญญวคีเหล่านั้นเราก็ส่งย้อนกลับไปเห็นว่า ผลในลักษณะนี้ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่คนทั้งหลายในอดีตที่มีการศึกษาและปฏิบัติชอบด้ตามหลักธรรมเหล่านั้นเพราะเมื่อคนนำมาปฏิบัติในปัจจุบันก็จะออกผลมาในลักษณะเช่นเดียวกันแต่ว่าท่านปัญญบกคีตอนนั้นจิตใจก็ยังกระด้างอยู่ยังเรียกพระพุทธเจ้าโดยพระนาม หดยประโคดนะครัที่จริงแต่ว่าใช้คำว่าอาวุโสที่แปลว่ากุณคือตีเสมอเพราะท่านจึงคัดค้านโดยข้อความที่เต็มที่ท่านคิดไว้ตอนเห็นพระพุทธเจ้าสเสด็จเนี่ยบอกว่าอาวุโสโคดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปท า, านั้นแม้ด้วยทุกกรกิริยานั้น พระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถปันนี้พระองค์คลายความเพียรเรียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆจะไหนจะบรรลุอุตริมนุษยธรรมันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้เล่า ประเด็นตรงนี้ก็มองไปย้อนกลับไปถึงความปักใจฝังใจของท่านแล้วท่านชื่นชมกับพิธีการในการทรมานร่างกายรับความเจ็บปวดรวดราวอย่างแสนสาหาัสมันเป็นความคิดในแนวที่เรียกว่าสัตสตะทิฏฐิก็ถือว่าอัตมันหรืออัตตาหรือตัวตน รจิตเนี่ยถูกขังอยู่ในกรงขังคือร่างกายเพราะ้เมื่อต้องการอิสรภาพโดยเข้าไปอยู่รวมกับปรมาตมันหรือพรมันเนี่ยจะต้องทรมานร่างกายรับความลำบากจะปวด ร, ดร้าวแสนสาหาัสก็เรียกว่าปางตายทีเดียวเพื่อให้ไอพันธนาการที่ผูกมัดรัดึงเอาไว้เนี่ย ถูกทำลายไปและใจิตใจก็จะเข้าสู่ก็เรียกกันเยอะภาษาสมัยนั้นเรียกไกวันก็มีเรียกว่าวิโมกก็มีเรียกว่าซิโวโมกโกมีหรือแม้แต่เรียกว่านิราวานและนิพพานเนี่ยมีเพราะนั่นจริงปักใจแล้วก็ให้ความสําคัญแก่การมาเป็นทุกกิริยามากก็ลองสังเกตละท่านใช้คำสามคําว่าด้วยจริยานั้น จริยาก็คือการประพฤติประพฤติปฏิบัติยังไงก็คือแบบของการทรมาณร่างกายให้ประสบความลำบากเดือดร้อนอย่างที่เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเปลี่ยนวิธีการก็เรียกว่าเกือบตายแต่แต่าหากว่าเด็กเรียงแพทไม่มาช่วยเอาไว้ก็เรียกว่า จะประสบความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสแต่ก็คงไม่ตายหรอกฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไ ว, ว้ว่าปัจฉิมภพวิกษสัตถ์เนี่ยคือสัตว์ที่เกิดมาในภพสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ไม่ตายก่อนที่จะบรรลุมรรคผลตามสถานะของท่านคือจะสรูปเป็นพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระัติจเกพระพุทธเจ้ า, จ า, จาหรือบรรลุมรรคผลเป็นพระหันเนี่ยคือยังไงยังไงก็จะไม่เสื่อมหรอก แต่ว่าการที่เด็กเลี้ยงแกะได้มาช่วยเลี้ยงแพะมาช่วยเอาไว้เนี่ยก็ทาให้เกิดได้ความคิดแล้วก็สำนึกได้เร็วแล้วก็ตัดสินใจเลือกมาบำเพ็ญเพียรทางจิตปฏิปทาก็แปลว่าข้อปฏิบัติก็ปฏิบัติตามแนวของทุกรกริยาในการทรมานตนในรับความลาบาก ข้อความในตรงนี้คือเนื้อหาสาระตรงนี้แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงปฏิเสธแล้วก็ไม่ใช่ทางที่จะนำให้คนบรรลุผลในทางศาสนาได้แต่ในปัจจุบันก็ยังมีการประพฤติปฏิบัติกันอยู่แพร่หลายโดยเฉพาะในประเทศอินเดียแถวเมืองพาราณสีแถวรงแถวริสุเกตเนี่ยจะอยู่เยอะว่าเมื่อถึงเรื่องธรรมจักรกัตนะสุ ก็จะนำหลักที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าให้แก่ให้ภาษาริบุตรฟังถึงทุกข์กระกริยาที่พระองค์ได้เคยบงเพ็ญมาแล้วนะว่าทำมาอย่างไรบ้างคือมาเองก็อ่านเนียไม่จบคือว่าอ่านแล้วมันมันรู้สึกสงสารพระพุทธเจ้าจับใจอน่านไม่ได้มันรู้สึกสะทกสะท้อนอยังไงไม่รว่าดึกว่ากว่าจะ แต่สรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาได้เนี่ยแม่ก็แทบเป็นแทบตายทีเดียวลองผิดลองถูกบางเรื่องเนี่ยไม่น่าจะจะอยู่ได้นะไม่น่าจะรอดแล้วก็อ่านไปเข ข, ข, ข้อความเหล่านี้อยู่ในมาเสนาธิสูตรเป็นการรับสั่งเล่าให้พระสารีบุตรฟังเพราะว่าช่วงที่บำเพ็ญทุกขรกิริยาเนี่ยพระสารีบุตร ยังไม่ได้รู้จักพระองค์ก็เป็นพระสูตรที่ค่อนข้างยาวนะครัปรากฏอยู่ในทีคกันใกายแล้วก็พรงยังไม่ได้บรรลุอุตตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้เห็นพิเศษอย่างประเสริฐประเด็นนี้ก็เหมือนกันเป็นประเด็นที่น่าจะขยายเพราะคําคว่าอุตริมนุสธรรมเนี่ย มันเป็นพัฒนาการทางจิตที่มนุษย์สามัญเน่ทำไม่ได้แต่ว่าคนที่มีสติมีสัมมาญามีญญามความเพียรที่พยายามไปต่อเนื่องมันก็จะสัมผัสได้ระดับใะดับหนึ่งคือในพระบาลีเองเนี่ยจะแสดงไว้ตามลำดับคือจากจากสมาธิพูงแงวจากระดับสมาธินี่ หรือแม้แต่พระที่ต้องการจะอวดอวดตัวเองนะฮะเพื่อให้เห็นว่าตัวเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลาจาระมีพัฒนาการทางจิตเหนือกว่าคนอื่นแล้วก็พูดออกไปเพื่อคนอื่นเพื่อให้ประชาชนเขายอมรับน้งตือนตนเองเวลาอุปชายะบอกอนุศาสตร์มีข้อความตอนต้นว่าอันรมโซสุญญาญาเนียพิรมามีติ โดยที่สุดแม้กล่าวว่าข้าพเจ้ายินดีในที่สงักเนี่ยสมาัตคนที่ประสงค์จะอวดก็ถือว่าขาดจากความเป็นพระไปแล้วเพราะนั้นถ้าเรานับเนี่ยเราจะเห็นว่าเนื่องจากสมาธิจากอะไรไปขึ้นไปนเรๆผลเหล่านี้เป็นผลจนถึงเนี่ยจนถึงบรรุมรรคผลเป็นพระหรัจนจนสัจะรูมเป็นพระพุทธเจ้าในกุตริปมรรคธรมทั้งนั้น แต่เป็นภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างสื่อสารยากอยู่ปกราะคนเราพออุตริแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับทำไม่ดีพิเรนอะไรต่ออะไรเนี่ยหรือไม่ไม่เรียบร้อยหรือว่าเรื่องไม่ควรทําบางทีก็คล้ายๆกับแบบทะลึ่งตึงตังไม่อยู่ในกฎเกณอะไรเนี่ยแต่จริงๆแล้วอุตริมนุษสัพำนั้นเป็นพัฒนาการทางจิตของมนุษย์ ซึ่งโดยความเชื่อเนี่ยมันก็ออกมาหนักสองทางตอหนึ่งแนวของกิจนิยมสุดขั้วก็คือการทรมาร่างกายพอไปถึงจุดหนึ่งแล้วจิตจะเป็นอิสระแล้วเข้าไปอยู่รวมกับพรห ม, มันและประมตัตถมันนั้นก็ถือว่าเป็นผลสูงสุด ที่ท่านบอกว่าเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถนแต่แน่นอ น, นก็ไปถือว่าการปลนปลือให้ตัวเองได้รับความสะดวกสบายอย่างสังคมบริโภคในปัจจุบันก็จะเห็นว่ามนุษย์จะปลนปลื้มตัวเองหรือเกินเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่น่าจะรู้ราวคู่ฟ้าคุ้มเพยกันขนาดนั้น แต่ว่าได้แสดงสถานะให้เห็นว่าตัวเองมีสถานะเหนือกว่าคนอื่นภายในสังคมแล้วก็มีการพิโนพ่พิเทาต่อบุคคลเหล่านั้นพถึงจุดหนึ่งพวกเหล่านี้ก็จะมีความเชื่อแต่ความเชื่อว่าการต้สแสวงหาความสุขทางเนื้อหนังเนี่ยโดยวิธีการเหล่านี้จะ ทำให้ตนเข้าถึงเอกันตะบรมสุขหรือความสุขที่สูงสุดแต่บางพวกก็ถือว่าเป็นความสุขที่สวยละว่าได้ในภพภพบชาติเดียวแต่ตายแล้วก็สูญไปเลยหรือบางพวกก็จะถือว่าไม่สูญนนี้ก็เป็นรายละเอียดอีกเยอะเหมือนกันนะทีนี้ท่านมองการการบำเพ็ญ เปลี่ยนทางจิตของพระพุทธเจ้าเราเห็นว่าท่านใช้คําเดิมคําไม่เปลี่ยนคําำยังหยาบอ่เหมือนเดิมแล้วก็ก้าวร้าวลักษณะก้าวาร้าวอยู่เหมือนเดิมก็มจริงการแปลก็เราแปลจากบาลี่นะหรืแปลด้วยความเคารพต่อพระพุทธเจ้าอยู่แต่ว่าโดยความหมายของการพูดในขนาดนั้นก็ไม่ได้เรียกอย่างนั้นหรอกเพราะคำว่าตะวังเนี่ย คือท่านเนี่ยก็สามารถจะเรียกว่าท่านหรือคุณเรืออะไรก็ได้แต่ว่าเราก็แปลให้ใช้เป็นราชาสัตว์ไปที่จะดูว่าที่ยิงมาเป็นการตีเสมอแล้วก็มีความคิดเป็นปฏิปัติอยู่ความเคารพสักการะมันยังไม่มีนะฮะตรงนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเคยชินอาการกระดา้างก้าวร้าวนะี่ยังมีอยู่ กัรแสดงมาทางกิริยาท่าทางคำพูด แ, แสดงไว้จิตใจยังยังไม่มีความเคารพนับถือศรัทธาจึงใช้ว่าบัดนี้พรงเป็นผู้มากๆอาจจะใชตัวนี้อาจจะแปลว่าท่านแปลว่าคุณก็ได้นะแต่ว่าแปลด้วยความเคารพก็แปลเป็นอาชาติศัก์ แต่ตรงนึกว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่คงคงไม่ไม่ในหมายความอย่างนั้นคลายความเพียนเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆเป็นการดัดสินอะไรแบบง่ายๆเป็นลักษณะของอุปาทานได้ยึดติดอยู่ภายในใจมนุษย์เนี่ยมันก็จนหลง คือเข้าใจว่าความคิดความเห็นของตัวนั้นเป็นความถูกต้องเพราะงั้นเมื่อไม่ใครใครไม่ไปทําไปตามที่ตนเห็นเนี่ยเขาคิดว่าไม่ถูกต้องโดยโดยลืมคิดไปนะฮะว่าทํามันดีจริงทําไมคุณไม่ทําเองแล้วกรอกความคิดตรงนี้ยเราสามารถจะไปใช้ในกรณีอื่นได้เช่นยกตัวอย่างเนี่ยเช่นยกตัวอย่างว่า มันทีชาวบ้านพอ ม, มีข่าวคราวที่เกี่ยวกับพระประพฤติไม่เหมาะไม่ควรเป็นข่าวเฉยๆเนี่ ย, จ, ยนะจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้เลยโอ้ก็ต้องสั่งต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้ น, นอก็รู้ว่าดีทําไมคุณไม่บวชมันเลยทําไมคุณสืบไปทําไมทําไมคุณไม่ปฏิบัติอ่ะก็เรารู้มันเดีย แล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปอ้างว่าเราปฏิบัติไม่ได้เอาคนอื่นปฏิบัติไม่ได้บ้างทาไมคุณไปว่าเขานี่คือคือเราจะเห็นว่าพอยิ่งพูดแล้วยิ่งยิ่งยิ่งหลงทางเลยเพราะมันเริ่มจากความคิดที่ผิดอยู่ตั้งหลักตั้งหลักผิดว่าตัวเองก็ไม่เคยพิสูจน์แลว้วใครๆก็ไม่เคยพิสูจน์ได้นะว่าที่จดีเนี้ยที่ทำให้คนบรรลุมรรคผลเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีตัวอย่างบุคคล ที่มายืนยันว่ามีคนประสบความสำเร็จมาแล้วแต่ท่านก็ปักใจด้วยอำนาจของอุปท า, านที่มีการสะสมไว้ในทางวิชาการที่ศึกษาแล้วเรียนมาตามคำภี์ของพรามโดยท่านเองลืมไปว่าเมื่อมันดีเนี่ยทำไมพรามทั้งหลายจึงไม่ปฏิบัติเองละ่ะแล้วถ้าถ้ามีผลอย่างนั้นจริงๆทาไมไม่เกิดผลละ่ะคือเราไม่ได้คิดตั้งคาถามกับ แต่ว่าก็ไปยึดติดอยู่อย่างนั้นต้องอย่างนั้นท่าต้องอย่างนั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อกลายเป็นปัญหาแล้วก็ไปด่าว่าคนอื่นเพียงแต่กินข้าวเนี่ยฮะถ้าประธานอาหารนี่มากมากเลยมันไม่มีเหตุผลคือใช้คําแรงเกินไปใช้คําเนี่ยมันหนักเกินไปมนุษย์ก็ต้องอยู่ด้วยในอาหารเนี่ยทําไมจะต้องใช้คําว่ามากมากล่ะมันก็เหมือนกับคราวหนึ่งนะคราวหนึ่งที่ มีพวกหนึ่งเขามังสวิรัตกันแต่เขาก็มีคําพูดคล้องจองนะฮะคือด่าพระเนี่ยพระที่แท้จริงต้องไม่ฉันปลาฉันเนื้อพระที่ฉันปลาฉันเนื้อไม่ใช่พระแต่เป็นแพะทีนี้พอเป็นแพะมันก็ลืมไปว่าแพะมันไม่ได้กินปลากินเนื้อ่ะแพะมันก็กินผักกินหญ้าธรรมดาเนี่ยเพราะเราเกณฑ์การกินเป็นเครื่องกําหนดเนี่ย โปรตีนผักกินได้นั่นแหละคือแพ้แต่ว่าการเป็นพระที่จริงไม่ได้ถูกกำหนดด้วยสิ่งที่ท่านกินเห็นไหว่าสิ่งทั้งแบบความเป็นพระไม่ได้อยู่ที่กินอะไรแต่อยู่ที่ปราพฤิจารณาอย่างไ ร, รพระก็มีอาชีพในการเที่ยวพิกขาจารบินทบาทชาวบ้านชาวบ้านก็ตักอะไรมามก็ต้องฉันอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มองต่อไป คือพูดไปหยุดอยู่ตรงนั้นเองแล้วก็มีข้อความอีกข้อความหนึ่งเรียว่าเอพระเดนเนี่ยไม่แม่แต่ทําอะไรเช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนคขํามจำวัดยคือทั้งหมดเนี่ยเราสังเกตมันมีอิเดียบทนอนทั้งหมดเอนก็นอนนะเจ้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนขําจําวัดเนี่ยอิเดียบ ท, ทั้งหมดมันนอนทั้งมันมันมีมนุษย์อย่างนี้หรอมีมีมนุษย์อยู่ในโลกนี้หรือเปล่า ถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือคนที่เป็นอามภพาตอามภพต์ตอนนั้นเองคือป่วยหนักต่นนั้นเองแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ทําหรอกแต่ไม่ได้ทํามมาไทยหรือ น, นอนดยเฉยเฉยอย่างนั้นทั้งเอนทั้งนอนทั้งพักผ่อนทั้ทงกรำบัดเนี่ยนั่นคือแนวของโมหะคติเพราะความคิดแบบปัญจพคีก็คือโมหะคติมันใจมันแกว่งมันเอียงไปเพราะความไม่มีเหุผลคือความงมงาย คือทฤษฎีทั้งหลายเนี่ยมันต้องผ่านการพิสูจน์ทดสอบมาอย่างที่พระพุทธเจ้ารับสั่งแก่ท่านเหล่านั้นเนี่ยบอกว่าถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นอย่างที่กุลบุตรทั้งหลายที่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการโดยการปฏิบัติพัฒนาปัญญาของตอนเองขึ้นไปเนี่ยแล้วถึงจุดหนึ่งก็จะเข้าถึงผลอย่างนั้น เราแสมันมีตัวตนบุคคลที่สัมผัสผลตรงนั้นมาแล้วอาณาทิศทฤษฎีการทรมานร่างกายเนี่ยที่จริงไม่เคยมีตัวคนตัวคนที่ประสบความสําเร็จเพราะว่ากายกับจิตเนี่ยก็าอิงอาศัยซึ่งกันและกันกายที่กระสรับกระส่ายนั้นจะทําจิตให้ส ง, งบไปได้หรอกผลจิตส ง, งบมันเกิดมาจากกายที่ต้องส ง, งบก่อน เราไม่ต้องอะไรนะฮะสมมุติว่าเราท้องไส้ปั่นป่วนหมดเลยเนี่ยจะนั่งสมาธิให้เกิดสงบมันเป็นไปไม่ได้เลยเราต้องแก้ปัญหาที่ท้องให้ได้เสีย ก, ก่อนจึงจะเกิดนั่งสมาธิแล้วความสงบกว่าจะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันไม่สบายะมันไม่สะดวกสบายไม่เกือกูลเดี๋ยจิตสงบมันมีอาการผวาป่วนแล้วก็ฟุ้งซ่านจิตมันก็ส่ายมันก็แขวงก็เกิดความสับสน ก้อนี้ท่านท่านท่านใช้คำว่าเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากมากหมายความมาการรับประทานอาหารเนี่ยก็แสดงว่ากลับมาเป็นคนมากมากแล้วคําเหล่านี้บางทีเราก็ใช้นะใช้ในกรณีที่เรียนว่าคนที่บวชแล้วก็สึกสำนวนบาลีนี่ปน แ, ปแปลมาว่าวิววนมาเพื่อความเป็นคนต่ําหรือคนเลวนะ ยินาเนี่ยอาจจะแปลว่าต่มก็ได้เป็นคนเลวก็ได้ก็แปลนิ่มๆน้นอยก็ด้อยลงไปท่านก็มีความเชื่อนะว่าการบรรลุอุตริมรัธรรมหรือการสัสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยสาหรับคนที่บริโภคอาหารเห็นแม่หลักการตรงนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้ พอมนุษย์ทําไมบริพภกอาหารเนี่ยมันก็ทุกข์ประมาทและใจจะสงบไม่ได้ประเด็นตรงนี้ทำให้เราเห็นลักษณะของศรัท ธ, ธาที่แบบงมงายเรียกว่าทิโมกคือน้อมใจเชื่อเอาก็ว่ายังไงก็เชื่ออย่างนั้นเชื่อโดยไม่ได้คิดถึงกระบวนการไม่คิดตัวอย่างไม่มองสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันมันเป็นกระบวนการที่เลื่อนไหลต่อกันไป อย่างที่เราหลอกต้ม อ, อะไรกันบ่อยๆลองสังเกตมันเป็นความเชื่อที่ขาดการการกลองเป็นนิตพิจารณาจะเกิดเกิดจะโลภจะหลงส่วนใหญ่เนี่ยคือโลภแบบงงๆเช่นมาชวนมาลงทุนในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่งอย่างเมื่อต้นปีสอง3ันห้าร้อยสี่สิบสามเนี่ยที่มีการเชิญชวนจะชวนคนไปลงทุนกันคนละห้าพัน สิบห้าวันจะได้กำไรห้าพันอีกสิบห้าวันจะได้กำไรพอสามพันอีกสิบห้าวันจะได้กำไรห้าพันสี่สิบห้าวันได้กำไรหากทุนออกแล้วนะได้กำไรตั้งแปดพันสี่สิบห้าวันตอนนั้นเองเดือนครึ่งมันเป็นไปได้ยังไงแต่ว่าคนมันถูกล่อให้โลกอยากได้เลยก็ไปลงกลุนกระขา้าแล้วก็กตุ้มต้มไปเรียบร้อยดังนั้น แนวปักใจทั้งสองแนวเนี่ยคือปฏิเสธโดยตัวไม่มีเหตุผลมากพอที่จะไปปฏิเสธแล้วก็ยืนยันก็โดยใช้ความงมงายเป็นเหตุก็หมายความว่าต้องไปทางขวาเท่านั้นจึงถูกต้องไปทางซ้ายไม่ได้แล้วคนที่ไปทางขวานั้นก็ไม่ได้ประสบผลสำเร็จให้ดูเป็นตัวอย่าง ในขณะเดียวกันเราก็ไปเสด็ทางซ้ายไม่ให้ไปทางซ้ายให้ไปทางขวาท่านั้นเองความคิดในแนวนี้มีอยู่เป็นนันมากนะแล้วก็ท่านก็ปักใจของท่านอย่างนั้นเนี่ยม้แต่การเผยแผ่ศา ส, สนาของศาสนาเป็นนันมากเวลานี้นะเราไม่ใช่เวลานี้คือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนะี่ยที่ท่านมีความเชื่อว่าความเผิดของท่านนะถูกต้องคําสอนของท่านถูกต้องแล้วท่านก็มีความรู้สึกองสงสารต่อพวกเรานะ อย่างศาสนาพุทธเนี่ยมันก็ถูกพวกต่างศาสนาบางศาสนาเขาเรียกว่าศาสนานอกรีดบางศาสนาซาตานบ้างศาสนาคนป่าเขื่อนบ้างก็พยายามจะกลับใจให้เราไปเข้ารีดเขาด้วยความสงสารเขาว่านะฮะอันนี้ก็คือคือลักษณะปักใจแต่เขาไม่ได้คิดเทียบไม่ได้คิดเทียบดูว่าหลักการปฏิบัติอย่างนี้ที่มีการยกย่องมีการชื่นชมกันอยู่อย่างนี้ มันมีความขัดแย้งกันอยู่ตรุดในตัวตนของสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นเคารพสักการะนั่นแหละมันมีความขัดแย้งกันเองแต่ของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ขัดแยง้งมีปัญญาจริงมีความบริสุทธิ์จริงมีความการุณาจริงแล้วคนที่ศึกษาปฏิบัติตามผลมันก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนั้นจริงๆและเราก็สัมผัสได้ระดับนี้ ทั้งปัญญาทั้งความบสุทธิ์ทั้งความเมตตาเกล้าเนี่ยเพราะถ้าพิสูจน์แล้วเนี่ยก็เราพิสูจน์ได้เพียงแต่ว่าระดับสมบูรณ์มันมีคนพิสูจน์ได้น้อยกว่านั้นเองแต่ระดับที่ลดหลั่นลงมาเนี่ยพิสูจน์ได้ตลอดระยะเวลาแต่เพราะการปักใจฝังใจนะฮะของท่านปัญญาพุทธิท่านก็ไปยึดติดเอ า, เอ า, เ, อาเอาในลักษณะอย่างนั้นต้องฟังแต่ไร แาา้ารวมพทปฏิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทลายโดยโทษวกันสวัสดี